ในจดหมายที่หลวงพ่อคำเขียนได้เขียนถึงอาจารย์กำพลฉบับแรกมีข้อความตอนรักว่าแม้ว่ากายพิการก็ไม่เป็นไรนะถ้ายังมีความสึกตัวอยู่ก็เรียกว่ายังมีนอแห่งโพธิโพธิก็หมายถึการจัดสตุ น่ออิงโพทิก็เหมือนกับหน่อของต้นโพธก็คือว่าสามารถจะเติบโตเป็นต้ น, ตนตใหญ่เป็นต้นที่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนแล้วก็เป็นประโยชน์กับสัตว์สัตว์ต้นโพธต้นไทร ใหญ่โตแค่ไหนก็เริ่มต้นมาจากเมล็ดเล็กๆหรือมาจากหนอยเล็กๆเกมื่อเรามีความสึกตัวโอกาสที่จะตัดสู้นะบรุ ธ, ธรรมก็มีอยู่ แลวความสุขตัวนั้นก็มีอยู่กับทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกโอกาสว่าคนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าโอกาสเห็นความสุขตัวนั้นก็มีชั่วประเดี๋ยวประดาวไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่ มีนักปราษาวิทยาเขาทำการทดสอบวัดการทำงานสมองอเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครนี่กำลังกำลังคิดหรือว่ากำลังรู้สึกอย่างไรนี่ทำได้มากขึ้นแล้วอาจจะไม่รู้ในรายละเอียดก็เพราะว่าคน เวลาทำงานเนี่ยสมมุติทำงานวันหนึ่งเจ็ดชั่วโมงครึ่งไอทางานจริงๆอ่ะสมองเนี่ยที่มันทำงานจริงๆก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือย0สเอร์ซนอีกแปสอร์ซนก็ใจลอยฟุ้งไปโน่นฟุ้งไปนี่อันนี้เขาก็สามารถจะตรวจวัดการทำงานของสมองได้แล้วในลักษณะนี้ แต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรเท่านั้นแหละคนเราเวลามีสมาธิจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างกับการปล่อยใจลอยนี่มันมันแตกต่างกันนะถ้าพูดถึงการทางานสมองถึงแม้ว่าสมองกับจิตนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันบางทีเราก็รู้ความเปรีนแปลของจิตก็ผ่านการทางานสมอง การค้นพบอันนี้มันก็เท่ากับไปไปยอมรับหรือว่าไปตอกย้ํานะว่าทังคนเรานี่ความสึกตัวมันก็มีเป็นช่วงๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วไม่รู้สึกตัวมากกว่าไม่รู้สึกตัวนี่ถ้าทางการแพทย์คือว่าสลบหรือว่าโดน ยานอนหลับหรือว่าโคมา่าคือไม่ตอบสนองไม่พูดไม่คุยอะไรกับใครเลยแต่เราพูดถึงความสุขตัวในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็หมายถึงว่าความสุขตัวแบบเต็มร้อยนะคนที่ตื่นมาฟื้นจากสลบพูดคุยโต้อตอบอะไรได้ทำ ง, งานอะไรได้ขับรถได้ ทางการแพทย์ก็ถือว่ารู้สึกตัวแล้วแต่ว่าทางวัฒนศาสนาเนี่ยังไม่เพราะคนที่คุยขับรถใจจะลอยก็ได้ไม่รู้สึกตัวเพราะตอนนั้นใจมันอยู่กับมันเข้าไปอยู่อารมณ์อยู่กับความคิดแต่เมื่อการที่ความสุขตัวกลับมาเนี่นะมันก็จะเรียกว่า หนอนแห่งโพธิ์ก็เริ่มทำงานหรือว่าถ้าเราทำบ่อยๆให้เกิดความรู้สึกตัวบ่อยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบารุงเลี้ยงหนอนแห่งโพธิให้เติบโตเป็นต้นใหญ่พวกเรานี่ก็อาจจะข้ามจากความเป็นหน่อนโพธิมาเป็นต้นกล้าไปแล้วหรืออาจจะเป็นต้นใหญ่ มันก็เกิดจากการที่ดูแลบ่อยให้มีสตินะเป็นตัวเลี้ยงบ่อยพอนอทุกชนิดก็ต้องการน้ำต้องการการดูแลการที่จะรู้ทําได้ต้องอาศัยความรู้ตัวเป็นพื้นฐานเลยจะพูดเรื่องโพธิปัจฉิยธรรมองค์ธรรมเป็นการตัสรู้นะหรือว่าพวอชมเจ็ดนะ ถึงแม้ว่าไม่มีคาว่าความรู้สึกตัวเนี่ยแต่ว่าให้ร่วมเป็นพื้นฐานนะโคชงเจ็ดนะก็มีวิริยะมีสมาธิมีปัสสธินะมีเบคขามีสตินะมีธรรมวิจยะ นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความสุกตัวเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นพ่ชงเจ็ดฝ่ายฝ่ายกระตุ้นหรือว่าฝ่ายสงบนะพ่อชงเจ็ดฝ่ายนะนะกระตุ้นก็คือนะวิริยะ ท ร, รมวิจยาปิติส่วนฝ่ายที่ทำให้สงบ ก, ก็คืออุเบกขาสมาธิแล้วก็ปัสสธิมีสติเป็นตัวกลางเพราะสติเนี่ยมันทำหน้าที่ทั้งกระตุ้นก็ได้หรือว่าชะลอทำให้สงบ ก, ก็ได้ในโพชองเจ็ดเนี่ย จะเป็นฝ่ายกระตุ้นให้ตื่นตัวให้ขยันให้เกิดความกระตือรือร้นหายจากความซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นฝ่ายสงบทำให้สงบทำให้หายฟุ้งซ่านก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นพื้นพุ่อาจาตรัสว่าเนี่ยบุคคลนะเมื่อมีความรู้สึกตัว กุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดอกุศลธรรมใดที่เกิดแล้วก็ดับไปความเป็นผู้รู้สึกตัวย่อมเป็นไปเพื่อปรอันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นเพื่อความแม่นตรรทานไม่เสื่อมสูญของพระสัทธรรมพระสัทธรรมในที่นี้คือธรรมะนั่นเองแล้วก็เน้นถึงธรรมะในใจ ภาษาธรรมนี่จะแปลพระศาสนาก็ได้แต่ในที่หมายถึงว่าธรรมะในใจไม่มีความสึกตัวนะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดกุศลธรรมนี่ก็ก็ได้แก่หลายอย่างพ่อชงเจรนี่ก็อันหนึ่งแล้วเมื่อมีความสึกตัวนี่นสมาธิวิริยะปิติปัสสิ รรมวิเจ้าอุเบกขาก็เกิดขึ้นได้องกุณสรธรรมนที่มันเกิดขึ้นแล้วเเช่นความกรธค ว, รกร ค, วความเศร้าโศกเสียใจความขับแค้นความเศร้ามันก็เลือนหายไป แตว่ว่าคนไม่ค่อยได้ได้เห็นความสาคัญความสึกตัวเท่าไหร่กลายเป็นเขาว่าเห็นว่าเป็นเป็นเรื่องยาปากข้อเมื่อเขาว่าสตินะสติคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันธรรมดาก็มีสติทุกคนละก็มีแต่คนสลบนะที่เรียกว่าไม่มีสติหรือคนบ้านนะหมดสติ มีสองอย่างคือไม่มีสติคนบ้าคนหมดสติคือคนเป็นลมถ้าไม่บ้าไม่ไม่ไม่เป็นลมนี่ก็ถือว่ามีสติกับทั้งนั้นนนก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นสติที่อาจจะเป็นมิจฉาก็ได้มิจฉาสติก็คือการระลึกนึกถึง สิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลนึกถึงเหตุการณ์ในดีก็เกิดความขับแค้นเกิดความเศร้าเกิดความเสียใจหรือว่าเกิดราคะเกิดโทสะนึกเห็นภาพนึกเห็นคนที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่เกิดราคะขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมานี่ก็เรย่มิสาาสติหรือว่าเป็นสติที่ แค่พอใช้งานใช้การได้แต่ยังไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติคือสติที่ทําให้รู้กายรู้ใจไม่ใช่ไประลึกได้ในเรื่องนอกตัวแต่ระลึกได้ว่ากายกําลังทําอะไรอยู่หรือว่าใจกําลังเกิดอะไรขึ้น ไม่มีสมาสติเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสึกตัวขึ้นมาทำให้กลับมาใจกลับมาอยู่กันนึกกรตัวใจกลับมายักันกกระตัวก็รู้สึกตัวเ <c oughs> มื่อมีความสึกตัวนี่นะจิตก็จะทำหน้าจิตก็สามารถจะดูนะทำหน้าที่เห็น ความเป็นไปของกายและใจได้ที่ว่าไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปอยู่เนี่ยให้ดูดี๋ยวเข้าไปอยู่เห็นเดี๋ยวเข้าไปเป็นเนี่ยต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นเป็นเป็นตัวหนุนเนื่อง ก็เ่องเป็นแบ็กกราวก็ได้เป็นแบ็กกราวเพราะถ้าไม่มีความสึกตัวนะมันก็อดไม่ได้นะจะเข้าไปเป็นเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในความคิดอยู่ในความคิดมันก็ไม่มีทางที่จะเห็นความไม่มีทางที่จะเห็นไม่มีทางที่จะรู้จักความคิดได้ เขาไปเป็นเป็นผู้โกรธผู้เกลียดผู้เศร้าก็ไม่สามารถจะเห็นความจริงที่อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันแสดงตัวออกมาอย่างที่ได้เคยบอกว่าเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์สอนธรรมได้ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นอุปกรณ์สอนธรรมได้อาจารย์กำพลสิ้นชีวิตแล้วนะก็ไม่แปลว่าอุปกรณ์สอนธรรมนี่หมดอุปกรณ์สอนธรรมก็อยู่กับเราทุกคนแหละอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักมองรู้จักใช้หรือเปล่าหรือว่า ตันหนักไหมว่ามันคืออุปกรณ์สอนทาความปวดความเมื่อยความเศร้าความโกรธความเครียดความหงุดหงิดไอ้พวกนี้เป็นอุปกรณ์สอนทำได้ทั้งสิน้นสอนอะไรสอนให้เรามีสติเพราะว่ามันเป็นเครื่องฝึก จะฝึกสติได้ก็ต้องมีต้องเจอพวกนี้แหละถึงจะมีสติได้อย่างที่เราพูดคือว่าเนี่ยมันจะจะรู้ได้ต้องผ่านการหลงก่อนคนเราจะฉลาดได้ก็ต้องผ่านความโง่ก่อนไม่มีใครที่ฉลาดก่อนโง่นะมีแต่โง่ก่อนฉลาดเราพวกนี้เนี่ยมันมาเพื่อฝึกสติของเราเพราะว่าเมื่อมัน เกิดขึ้นบ่อยจิตเราจะจําได้เรียกว่าทิรสัญ尼亚ทิศรัญญาคือความจําได้หมายรู้ในลักษณะอาการของมันเพราะว่าเนี่ยคือความโกรธเนี่ยคือตัวโกรธเนี่ยคือตัวเกลียดเนี่ยคือตัวฟุ้งเจอบ่อยๆก็จะจําได้เหมือนกับเราจะจําศัพท์ภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็ต้องเจอศัพท์นี้บ่อยๆเจอตัวนี้บ่อยๆเจอบ่อยๆเจอบอก็จะจำได้ แต่จะเจอได้ก็ต้องเปิดดิกนะเปิดดิกรู้อ๋อไอตัวนี้แปลว่าอะไรคือไม่ถ้าไม่เปิดดิกเนี่ยเจอกี่ครัง้งกี่ครั้งก็ยังงงอยู่นั่นแหละมันแปลว่าอะไรในสมัยเดียกันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยมันต้องมีต้องมีสตินะเห็นนะมันจะจําได้ถ้ามีสตินี่โกรธหมื่นครั้งก็ยังโง่เหมือนเดิม คนที่เป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดจนควบคุมตัวไม่ได้พวกนี้เจอความโกรธครอบงำเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่เล็กตนโตจนแก่กี่ครั้งนะแค่วันละหนึ่งครั้งเนี่ยามสิบ ป, ปีก็หมื่นครั้งแล้วเพรวโกรธนี่ันโกรธ ว, วันเดียวโกรธครั้งเดียวที่ไหนนะในวันหนึ่งวันหนึ่งโกรธหลายครั้งนะสมมติโกรธสัวันละห้าครั้งเนี่ย สามสิบปีก็ห้าหมื่นครั้งแล้วแต่ไม่เคยจาได้เลยไม่เคยจาตัวโกรธได้เลยโดนมาเล่นงานทุกทีเสียท่า ม, มาทุกทีแล้วก็เสียท่า ม, มาเร็วขึ้นโกรธง่ายขึ้นคนแก่บางคนนี่โอ้ยอารมณ์ร้ายนีตอนนี้เราโดนมาเล่นงานก็น่าคิดนะในเมื่อชีวิตนี้ ทั้งชีวิตเจอความโกรธมาเป็นหมื่นหลายหมื่นครั้งทำไมไม่เคยรู้เท่าทันมาสักทีทำไมไม่เคยจำมันได้สักทีว่าไอ้ น, นี่คือตัวลายเพร่ะไม่มีทีลสัญญาก็คือว่าไม่สติมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช้สติในการที่จะจดจำรละลึกได้ก็เปลี่ยนเหมือนกับเจอสารษัาสารกิษเนี เจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรเจอพันครั้งก็ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเพราะไม่ยอมเปิดดิกถ้าเปิดดิกแล้วยังต้องจำเลยว่าความหมายมันคืออะไรเปิดครั้งเดียวแล้วก็ไม่จำเจอบันอีกก็ลืมไม่ออกมันแปลว่าอะไรล้วคนบางคนเจอศัพ เป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็ยังจำไม่ได้เมือ่อคนที่โกรธเป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็ยังจำความโกรธไม่ได้ก็เลยโดนมาเล่น ง, งานเหมือนกับคนที่ถูกหลอกนะถูกหลอกไปพอถึงที่เปียวก็โดนเขาเอาเอามีดจี้เอาเงินมาวันรุ่งขึ้นเจออีกมันก็หลอกไปอีกว่ามีเพื่อนหรือว่าพ่อแม่นะ ไม้เรียกไปหาเปาถึงซอยเปียวมันก็มีจีแล้วควังเงินมีวันที่สามเจอมันอีกมันก็หลอกแล้วเชื่อมันเดิ ม, มก็โดนมันปนจีอีกอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยจำสักทีว่าไอ้หมอหนี่มันไว้ใจไม่ได้ คนที่โกรธคนที่โกรธตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจนแก่เนี่ยหรือว่ายิ่งอายุมายิ่งโกรธหนักขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับคนคนที่ว่านี่ถูกหลอกไปพ้นไปจี้เป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็ยังจำไม่ได้ไว่าไอ้หมอนี่ไว้ใจไม่ได้นี่เพราะเรว่าพวกความจำเสื่อม มันก็มีนะคนที่ความจำเสื่อมแค่ห้านาทีผ่านไปก็จำไม่ได้ว่าว่าเคยเจอกันที่ไหนหรือว่าชื่ออะไรความจำระยะสั้นเสื่อมอยู่ได้แค่5นาทีหรือบางทีไม่ถึง5้านาทีเดี๋ยวก็ลืมแนละ้ว เนี่ยคนจำนวนาเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าเจอความโกรธเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เคยจดจำได้ก ท, ทีเพราะว่ามันสติไม่ทำงานหรือไม่ใช้สติในการที่จะจดจำแต่ถ้าเรานะพยายามใช้สติเนี่ยมันเกิดขึ้นทีไรก็รู้ทันใหม่ๆก็รู้ทัน ใช้เวลานานกว่าจะรู้ทันนะคิดไปสิบเรื่องหรือโกรธไปพักใหญ่ถึงก็จะรู้ตัวด่าไปแล้วถึงค่อยรู้ตัวอ่ะไม่เป็นไรต่อไปก็ทำกันบ่อยๆบ่อยๆรู้สึกสติก็จะรู้ทันไวขึ้นใอ้การเจริญสติเนี่ยด้วยการกำหนดกายหรือว่าเอากายเป็นเป็นเป็นนิมิตเนี่ยนะมันก็เป็นวิธีหนึ่งในในการที่จะทำให้ ให้เกิดการจดจําได้ในอารมณ์ต่างๆใจมันลอยหรือว่างุนงิ่งชุนเฉียวเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออเรากําลังยกมืออยู่กาลังสร้างจังหวะอยู่กำลังเดินอยู่พอรู้ขึ้นได้จิตมันก็ถอนตัวออกจากอารมณ์นั้นกลับมาสู่กายไ อ, อการทํำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะหลุดมันจะสลัดได้เร็วแล้วขณะเดียวกันเมื่อมันสลัดออก มันก็จะเห็นอารมณ์ได้ชัดขึ้นมันต้องดลุดออกก่อนนะมันถึงจเห็นพอเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็จําไดนะ้แต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยนะมันมีแต่เข้าไปอยู่หรือเข้าไปเป็นก็นจะจำไม่ได้เกิดร้อยครั้งเกิดพันครั้งเกิดหมื่นครั้งในความโกรธความเศร้าก็ไม่เคยจําได้ พรมันอาจจะเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นแต่เพราะว่าพอออกมาออกมาดูมาเห็นมันก็จะจําได้ไม่ใช่เห็นครั้งเดียวจําได้เห็นหลายครั้งจําได้เพราอ้าความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้อาการเป็นแบบนี้ความเกลียดเป็นอย่างนี้ความฟุ้งซ่านเป็นแบบนี้พอมันมาครั้งต่อไปอ๋อจาได้พอจําได้ก็สลัด หลุดออกมาหรือก็จําจําผู้ไายได้มันมาหลอกอีกครั้งต่อไปก็อาจจะทีแรกอาจจะมันคว้ามือเราไปแล้วไอ้เราก็เชื่อนะแต่สักพักจําได้ไอ้นี่มันผู้ไล่เนี่ยไอ้นี่มันสิบแปดมงกุลเนี่ยเราก็สลัดออกมาแต่ก่อนนี่มันพาไปครึ่งทางถึงค่อยจําได้ แต่ก็ยังดีนะมันไม่ทันจะพ้นแต่ตอนหลังนี่มัพอแค่เห็นหน้ามันก็จําได้แล้วไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับมันแล้วกูไม่ไมเรียกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วกูไม่เอากับมึงแล้วอย่ามายุ่งกับกูไม่เชื่อมึงอันนี้นะคืออาการของของของจิตเมื่อมีสติระลึกได้ก็ทําให้กลับรู้สึกตัว เกิดความรู้สึกตัวก็ช่วยนะความรู้สึกตัวก็ช่วยทําให้จิตหลุจากอารมณ์ได้เหมือนกันมันเป็นได้อสองทางสติทําให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เป็นตัวช่วยทําให้มีสติมากขึ้นกําลังใจลอยพุ่งสัน่นสับพักก็รู้สึกตัวเพราะว่ามือเคลื่อนไหวนะเท้ากําลังเดินกาลังเดินจงกลมอยู่กำลังสร้างจังหวะอยู่ กายมันทำแต่ใจมันลอยไปไหนไม่รู้จะอยู่จิตมันไปรับรู้ว่ามือกลังเคลื่อนไหวเท้ากำลังเดินให้ ก, การรับรูออ้ความรู้สึกตัวนี้ทาให้รู้สึกตัวได้รู้สึกกับรู้สึกตัวนี่คนละอ่านกันแต่มันเป็นพี่น้องกันก็คือพอรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวพอรู้สึกว่าเท้ากลาลังเดินหรือตัวกลาลังเคลื่อนความรู้สึกตัวมันก็เกิดขึ้นได้เร็วพอเกิดขึ้นได้เร็วมก็ มันก็หลุดออกจากอารมณ์หรือมันก็จิตนก็สลัดออกจากอารมณ์นั้น น, นี่ไงที่พระเจ้ตาตรัสไว้เนเมื่อมีความสุขตัวเนี่ยกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่ยังไม่เกิดขึ้นส่วนกุศลธรรมยังไม่เกิดขึ้นก็กเกิดขึ้นพอเขาสุขตัวแล้วนี่เมตตากรุณาก็ดีนะวิริยะสมาธิปิตนะิปัปสส thi ปัญญาธรมวิจยะอุเบกขามันก็เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีหน่อยโพธิอยู่ก็ต้องพยายามพยายามที่จะดูแลพยายามที่จะรักษาพยายามที่จ ะ, ะบมรุงดูแล ถึงแม้ว่าเราไม่รู้วมจะกลายเป็นต้นโผลต้นใหญ่เมื่อไหร่นะแต่ว่างนื้อก็ทำให้เป็นต้นกล้าขึ้นมาแล้วทำให้ต้นกล้ามีนเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้ น, น, นก็จะเป็นที่อาศัยนะของเราได้ต่อไปอชไาติภูเกทะเลอากา